อนาปติวานภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ814 1. พิภิกษุณีชำระลึกเพียง2ข้อองคุลีเป็นอย่างมาก 2. พภิกษุณีชำระลึกไม่ถึง2ข้อองคุลี 3. พภิกษุณีชำระลึกเกินเพราะอาพาธเป็นเหตุ 4. พภิกษุณีวิกลจริต 5. พภิกษุณีต้นบัญญัติสิค้าบที่5จบ